พระตตปิฎกเล่มที่ 14, ส4เสวิตตพาเสวิตตพสูตรธรรมะที่ควรเสพและธรรมะที่ไม่ควรเสพสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสแสดงธรรมะบรรยายเรื่องธรรมะที่ควรเสพและไม่ควรเสพ เสพในที่นี้หมายถึงการนึกหน่วงรู้เห็นพิจารณาอธิษฐานจิตน้อมใจเชื่อประคองความเพียรตั้งสติไว้ตั้งจิตไว้กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ละธรรมะที่ควรละเจริญธรรมะที่ควรเจริญทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทำให้แจ้ง ตรัสถึงกายสมาจาร์คือความประพฤติทางกายวจีสมาจาร์ความประพฤติทางวาจาและมโนสมาจาร์ความประพฤติทางใจจิตตุ บ, บาทความเกิดขึ้นแห่งจิตการได้สัญญาคือการจำได้หมายรู้การได้ทิฏฐิการได้อัตภาพว่าแต่และหัวข้อนั้นแบ่งเป็นสองประการคือควรเสพกับไม่ควรเสพ เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลแสดงความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายสมาจารไว้สองประการคือกายสมาจารที่กวรเสพและกายสมาจารที่ไม่ควรเสพกายสมาจารทั้งสองประการนั้น เป็นกายสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันเพราะเมื่อบุคคลเสพกายสมาจารเช่นใดอกุศนละธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงกายสมาจารเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพกายสมาจารเช่นใดอกุศละธรรมเสื่อมลงกุศละธรรมเจริญขึ้นกายสมาจารเช่นนี้ควรเสพ เมื่อบุคคลเสพกายสมาจาร์เช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นภูศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์คือเป็นคนหยาบช้ามีป่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าสัตว์ไม่มีความการุณาในสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือถือเอาทรัพย์เครื่องเปื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรือในป่า ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยความเป็นขโมยและเป็นผู้ประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ละเมิดจารีตในหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาหรือบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวอยู่ในปกครองของญาติของตระกูลหญิงที่มีธรรมะคุ้มครองคือนักบวชหญิงที่มีสามีหญิงที่มีสินไหมติดตัวอยู่โดยที่สุด แม่หญิงที่ชายคล้องพวงดอกไม้มั่นไว้เมื่อบุคคลเสพกายสมาจาร์เช่นนี้อกุศนละธรรมเจริญขึ้นกุสนละธรรมเสื่อมลงบุคคลเสพกายสมาจารเช่นใดอกุสลธรรมเสื่อมลงกุศนละธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกูละเว้นข่าจัด ก, การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าววจีสมาจารไว้สองประการคือวจีสมาจารที่ควรเสพและวจีสมาจารที่ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพวจีสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงวจีสมาจารเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพวจีสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้น วจีสมาจารเช่นนี้กวนเสดบุคคลเสดวจีสมาจารเช่นใดอกุศลลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พูดเท็จคืออยู่ในสภาในบริษัทท่ามกลางหมู่ญาติกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าพ่อคุณเชิญเถอะ ท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็พูดว่ารู้หรือรู้ก็พูดว่าไม่รู้ไม่เห็นก็พูดว่าเห็นหรือเห็นก็พูดว่าไม่เห็นเขาพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยบ้างอีกประการหนึ่งเป็นผู้พูดส่อเสียด คือฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่โน้นยุยงคนที่สามะคีกันส่งเสริมคนที่แตกแยกกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่แตกแยกกันพูดแต่ถ้อยคำที่ก่อความแตกแยกกันเป็นผู้พูดคำหยาบคือกล่าวแต่คำที่หยาบคายเผ็ดร้อน อยาบคายร้ายกาจแก่ผู้อื่นกระทบกระทั่งผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อคือพูดไม่ถูกเวลาพูดคําไม่จริงพูดไม่อิงประโยชน์พูดไม่อิงธรรมไม่อิงวินัยพูดคาที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่กําหนดไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตามการอันไม่สมควร เมื่อบุคคลเสพวจีสมาจารเช่นนี้อกุศลละธรรมเจริญขึ้นกุศลลธรรมเสื่อมลงบุคคลเสพวจีสมาจารเช่นใดอกุศลลธรรมเสื่อมลงกลุศลลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จได้แล้วละการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดได้แล้ว เป็นผู้สมานคนที่แตกแยกกันเป็นผู้กล่าววาจาขอให้เกิดความสามคัคคีละการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดคำหยาบได้แล้ววาจาได้ไร้โทษสนอโสดน่ารักจับใจเป็นถ้อยคำของชาวเมืองคนส่วนใหญ่ชอบใจก็กล่าววาจาเช่นนั้นละการพูดเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อได้แล้วพูดถูกเวลาพูดจริงพูดอิงธรรมอิงวินยัยกล่าวว่าจาเป็นหลักฐานมีที่อ้างอิงมีต้นมีปลายประกอบด้วยประโยชน์ตามการอันสมควรเมื่อบุคคลเสบวจีสมาจารเช่นนี้อากุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวมโนสมาจารไว้สองประการคือมโนสมาจารที่ควรเสพและมโนสมาจารที่ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพมโนสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงมโนสมาจารเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพมโนสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นมโนสมาจารเช่นนี้ควรเสพ บุคคลเสพมโนสมาจารเช่นใดอกุสนลธรรมเจริญขึ้นอุสนลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นคือเพ่งเล็งอยากได้ทรยบเครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าทำอย่างไรทราบเครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทคือมีจิตคิดร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลาย จงขาดศูนย์จงพินาศไปเมื่อบุคคลเสพมโนสมาจารย์เช่นนี้อกุศลละธรรมเจริญขึ้นกุศลละธรรมเสื่อมลงบุคคลเสพมโนสมาจารย์เช่นใดอกุศลละธรรมเสื่อมลงกุศลละธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่เพ่งเลง็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท คือไม่มีจิตคิดร้ายมีแต่คิดว่าขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีจิตยพยาบาทไม่มีความทุกข์ขอให้มีความสุขรักษาตนเถิดเมื่อบุคคลเสพมโนสมาจารเช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวจิตตุบาตไว้สองประการคือจิตตุบา ท, ที่ควรเสพและจิตตุบา ท, ที่ไม่ควรเสพจิตตุบา ท, ทั้งสองประการ น, นั้นเป็นสิ่งตรงข้ามกันเมื่อบุคคลเสพจิตตุบาเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงจิตตุบาเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพจิตตุบาเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้น จิตตุบาเช่นนี้กวนเสพบุคคลเสพจิตตุบาเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตสราหคตะด้วยอภิชาอยู่เป็นผู้ปองร้ายเขามีจิตสราหคตะด้วยพยาบาทอยู่เป็นผู้มีความเบียดเบียนมีจิตสราหคตะด้วยความเบียดเบียนอยู่ เมื่อบุคคลเสพจิตตุบาเช่นนี้อกุศลรธรรมเจริญขึ้นกุศลรรธรรมเสื่อมลงบุคคลเสพจิตตุบาเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลรรรธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่เพ่งเลง็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่สระหะคตะด้วยอภิชาอยู่เป็นผู้ไม่พยาบาทมีจิตไม่สหะรคตะด้วยอภิชาอยู่ เป็นผู้ไม่พยาบาทมีจิตสหรัตะด้วยความไม่พยาบาทอยู่เป็นผู้ไม่เบียดเบียนอยู่มีจิตสหรัตะด้วยความไม่เบียดเบียนอยู่เมื่อบุคคลเสพจิตุบาชเช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้สัญญาไว้สองประการ คือการได้สัญญาที่ควรเสพและการได้สัญญาที่ไม่ควรเสพการได้สัญญาทั้งสองประการนั้นเป็นการได้สัญญาที่ตรงข้ามกันและกันเมื่อบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงการได้สัญญาเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้น การได้สัญญาเช่นนี้ควรเสพบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยอาภิชามีสัญญาสหรัตะด้วยอภิชาอยู่เป็นผู้พยาบาทมีสัญญาสหรัตะด้วยพยาบาทอยู่เป็นผู้มีความเบียดเบียน มีสัญญาสหารัตะด้วยความเบียดเบียนอยู่เมื่อบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นนี้อกุศลละธรรมเจริญขึ้นกุศลละธรรมเสื่อมลงบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นใดอกุศลลธรรมเสื่อมลงกุศลละธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยอาภิชามีสัญญาสหารัตะด้วยอนณภิชายอยู่ เป็นผู้ไม่พยาบาทมีสัญญาสหรัตคตาด้วยความไม่พยาบาทอยู่เป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียนมีสัญญาสหรัตคตาด้วยความไม่เบียดเบียนอยู่เมื่อบุคคลเสกการได้สัญญาเช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย เรากล mm ่าวการได้ทิฏฐิไว้สองประการคือการได้ทิฏฐิที่ควรเสพและการได้ทิฏฐิที่ไม่ควรเสพการได้ทิฏฐิทั้งสองประการนั้นเป็นการได้ทิฏฐิที่ตรงข้ามกันและกันบุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงการได้ทิฏฐิเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นใด อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นการได้ทิฏฐิเช่นนี้ควรเสพบุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มี มารดาบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นอปติกะไม่มีอปติกะคือเปรตเทวดาพรมเป็นต้นและมีทิฏฐิว่าสมณพราหม์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกเมื่อบุคคลเสกการได้ทิฏฐิเช่นนี้กุศลละธรรมเจริญขึ้นกุศลลธรรมเสื่อมลง บุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นใดอากุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีมารดาบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นอกปฏิกะมีอยู่สมณพราหมู้ประพฤติปฏิบัติชอบ ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกเมื่อบุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นนี้อคุรสนธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเรากล่าวการได้อัตภาพไว้สองประการคือการได้อัตภาพที่ควรเสพและการได้อัตภาพที่ไม่ควรเสพ การได้อัตภาพทั้งสองประการนั้นเป็นการได้อัตภาพที่ตรงข้ามกันและกันบุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงการได้อัตภาพเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นการได้อัตภาพเช่นนี้ควรเสพ บุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือเมื่อบุคคลยังการได้อัตภาพอันมีความเบียดเบียนให้เกิดขึ้นเพราะการได้อัตภาพอันมีความเบียดเบียนยังไม่สิ้นสุดลงอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงบุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้น คือเมื่อบุคคลยังการได้อัตภาพอันไม่มีความเบียดเบียนให้เกิดขึ้นพราะการได้อัตภาพอันไม่มีความเบียดเบียนสิ้นสุดลงแล้วกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้สองประการคือรูปที่ควรเสพและรูปที่ไม่ควรเสพ บุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นนี้ควรเสพและโดยในยะเดียวกันเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นผทิภัณที่พึงรู้แจ้งทางกายพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าแต่ละข้อนั้นมีสองประการคือที่กวรเสพและไม่กวรเสพสิ่งใดเสพแล้วกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงสิ่งนั้นไม่ควรเสพสิ่งใดเสพแล้วกุศลธรรมเจริญขึ้น อกุศลธรรมเสื Normally, ่อมลงสิ่งนั้นควรเสพพระผู้มีพระภาตรัสไว้ว่าเรากล่าวจีวรไว้สองชนิดคือจีวรที่ควรเสพและจีวรที่ไม่ควรเสพภิกษุเสพจีวรเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงจีวรเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อภิกษุเสพจีวรเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้น จีวร น, นี้จึงควรเสพและโดยในย่าเดียวกันกับเรื่องจีวรคือบินทบาทเสนาสนะหมู่บ้านนิคมนครจนบทสิ่งเหล่านี้มีสองประการคือสิ่งใดทําให้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงสิ่งนั้นไม่ควรเสพและสิ่งใดทําให้กุศลธรรมเจริญขึ้นอกุศลธรรมเสื่อมลงสิ่งนั้นควรเสพ พระผู้มีพระภาตรัสไว้ว่าเรากล่าวบุคคลไว้สองจำพวกคือบุคคลที่ควรเสพและบุคคลที่ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพบุคคลเช่นใดอกุสนลธรรมเจริญขึ้นกุสลธรรมเสื่อมลงบุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพบุคคลเช่นใดอกุสนละธรรมเสื่อมลงกุสละธรรมเจริญขึ้นบุคคลเช่นนี้ควรเสพ พระผู้มีพระภาคตรัสรับรองถึงคําของพระสารีบุตรว่าถูกต้องแล้วตรัสว่าสารีบุตรเธอเพิ่งเห็นเนื้อความแห่งธรรมบัญญัติที่เรากล่าวแล้วโดยย่อนี้และโดยพิสดารอย่างนี้สารีบุตรแม้ทัตริย์ทั้งปวงพึงรู้ทั่วถึงอัฏฐะแห่งธรรมบัญญายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ความรู้นั่น พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กษัตริย์แม้ทั้งปวงตลอดกาลนานโดยในย่าเดียวกันแม้ท่าพรามทั้งปวงแม้ท่าแพทย์ทั้งปวงแม้ท่าสูตรทั้งปวงพึงรู้ทั่วถึงอัฏฐะแห่งธรรมบัญญายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ความรู้นั่นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข ก่พรามหรือแพทย์หรือสูตรนั้นทั้งปวงตลอดกาลนานสาวรีบุตรแม้ถ้าโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกรมาโลกห ม, มูสัต์พร้อมทั้งสมณพรามตลอดทั้งเทวดาและมนุษย์พึงรู้ทั่วถึงอัฏฐแห่งธรรมบัญญายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ความรู้นั่นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลกพรมโลกหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ตลอดทั้งเทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วท่านพระสารีบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลจบเสวิตตปพาเสวิตตพสูตร